ท่านสาธุชนและนักศึกษาผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายจะมา จ, จะได้บรรยายธรรมะโดยหัวข้อว่าเป้าหมายของชีวิตตามที่ท่านทั้งหลายขอร้องคำว่าเป้าหมายของชีวิต ฟังดูก็เป็นคำใหม่ๆเป็นคำนักประพันธ์อยู่มากแต่ก็ก็เป็นเรื่องที่มีประโยชน์ได้จำเป็นหรือควรจะรู้เป็นเรื่องของธรรมะได้เหมือนกัน <c oughs> เราควรจะทบ ท, ทวนอทบทวน ความหมายของคว่าธรร ม, มะให้เป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้งกระจ่างอยู่เสมอจนมองเห็นว่าธรร ม, มะนั่นเป็นเรื่องสำหรับชีวิตสำหรับสิ่งที่เรียกว่าชีวิตแล้วก็ช่วยธรร ม, มะชีวิตธรร ม, มะจะช่วยชีวิตเดินไปเดินไปดาเนินไปดำเดนำเินไปอย่างถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ของธรรมะเมื่อมันเดินไปอย่างถูกต้องมันก็ถึงจุดหมายปลายทางแน่นอน <c oughs> นี่แหละเราเรียกว่าธรรมะก็เป็นเรื่องที่ทำให้ชีวิตก้าวหน้าไปจนถึงจุดหมายปลายทางที่นี่ผู้ให้ผัวข้อนี่มัน มันก็บอกหรือแสดงอยู่แล้วว่าไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางนั่นคืออะไรเราก็ต้องพูดกันถึงจุดหมายปลายทางนั่นเองของชีวิตหรือเป้าหมายของชีวิตก็คือจุดหมายปลายทางของชีวิตที่นี่มันก็มา มีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าชีวิตนี่คืออะไรถ้าดูกันตามทางวัตถุดูทางร่างกายนี่ชีวิตมันก็มีความหมายอย่างหนึง่งถ้าดูกันทางแง่ของจิตของวิญญาณชีวิตมันมีความหมายอีกประการหนึง่ง ดูกันในแง่วัตถุในแง่ร่างกายหญ้าบอนมันก็มีชีวิตสัตว์ในรัชานก็มีชีวิตคนก็มีชีวิตตลอดเวลาที่มันยังไม่ตายทางร่างกายมันยังไม่ตายชีวิตทางกายล้วนๆอย่างนี้มันก็มีอยู่ระบบหนึ่ง เป้าหมายของมันก็คือจุดสูงสุดแห่งวิวัฒนาการด้วยเหมือนกันวิวัฒนาการทางกายจะเป็นไปได้อย่างไรมันก็เป็นไปจนกว่าจะถึงที่สุดนั่นเราจึงเห็นได้ตามที่เคยศึกษาเล่าเรียนสั่งสอนกันมาว่าวิวัฒนาการ ทางกายทางรูปร่างโครงสร้างเลยของมนุษย์นี่ของสัตว์ที่มีชีวิตเนี่ยมันมีวัฒนาการมาตั้งแต่ว่าเป็นสัตว์เซลเดียวหลายเซลจนต่ำที่สุดสูงขึ้นมาเป็นพืชพันธุ์มาเป็นสัตว์มาเป็นคนกว่ามันจะสูงสุดคือไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไปไม่ ไ, ม ไ, ม ไ, ม ไ, ไ, ไมกลไปกว่านั้นใดแล้ว ก็เรียกว่าจบวิวัฒนาการป็งชีวิตในด้านร่างกายแต่เราก็ยังพูดไม่ได้ว่ามันจะไปจบลงที่ตรงไหนอย่างไรแล้วก็ไม่จำเป็นด้วยที่จะต้องไปรู้มันมันยังไม่ใช่ปัญหาเฉพาะหน้าปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมดาของวัตถุ มันประกอบกันขึ้นเป็นเรื่องเป็นร่างกายเป็นไปในทางฝ่ายกายมันยังอีกนานมากเไม่รู้กี่หมื่นปีกี่แสนปีต่อไปในอนาคตที่มาดูชีวิตที่เป็นปัญหากันดีกว่าคือเมื่อ ย, ยังไม่ตายก็มีความเป็นอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งระบบใดระบบหนึ่งอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันนี่มันเป็นชีวิต ด้านจิตใจฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณฝ่ายจิตนี่คือเรื่องจิตที่ติดอยู่กับกายแต่ฝ่ายวิญญาณ น, นั้นเป็นเรื่องของสติปัญญาที่แยกออกมาได้ที่เราเป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณฝ่ายสติปัญญา ถ้าเรายังไม่ตายเราก็มีจิตคิดนึกอะไรได้เราปรับปรุงให้มันดีที่สุดเป็นจิตที่ฝึกฝนอารมณ์ลวดีที่สุดอย่างที่พูดกันเมื่อคืน <c oughs> มันก็ท่านั้นแหละทีนี้มันไม่มีความรู้พอมันก็ไปไกลไม่ได้มันยังออกไปจากความทุกข์ไม่ได้ นี่มันเป็นฝ่ายสติปัญญาที่มันเป็นอิสระออกไปจะผิดจะถูกอย่างไรก็คอยสังเกต ด, ดูเรามีความรู้ผิดมีความเข้าใจผิดมีความเห็นผิดมีความเชื่อผิดเนี่ยชีวิตชนิดนี้มันก็มืดมนทางวิญญาณ แล้วก็มีความทุกข์แน่ทั่นจึงไม่ใช่เป้าหมายแต่ถ้าเราทำถูกต้องมีความสว่างในทางวิญญาณถูกต้องในทางความรู้ความคิดความเข้าใจความเชื่อความอะไรจะเป็นหลักเกณฑ์สำหรับยึดถือแล้วก็ดาเนินไปดำเนินไป ในลักษณะที่ความทุกข์ละลายไปความทุกข์ละลายไปไม่มีความทุกข์เหลืออยู่ในที่สุดหมดจดจากความทุกข์สิ้นเชิงซึ่งเรียกว่าพระนิพพาน <c oughs> นั่นเป้าหมายของชีวิตในทางวิญญาณ น, นี่มันคือพระนิพพานใครจะรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้ใครจะชอบก็ได้ไม่ชอบก็ได้ มันอาจจะไม่ชอบก็ได้โดยไม่เข้าใจบ้างโดยมองเห็นเข้าใจว่ามันดีเกินไปสําหรับเราไม่เหมาะสําหรับเราบ้างมันก็พูดกันไม่รู้เรื่องตอนนี้ถ้าหาจะมาพูดตามความพอใจมันก็จะต้องพูดอย่างนี้ชีวิตฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณมันต้องไปสิ้นสุดจบอจบจ บ, จบเครื่องลงที่ การรูกถึงนิพพานนิพพานนี่แปลว่าเย็นสนิทไม่มีความร้อนแต่เป็นเรื่องทางนามธรรมความร้อนก็คือร้อนแห่งกิเลสร้อนแห่งความโลภร้อนแห่งความโกรธร้อนแห่งความโง่ความหลงร้อนในทางทางจิตทางวิญญาณเป็นไฟในทางจิตทางวิญญาณ ถ้าไฟเหล่านี่ดับสนิทเราก็เย็นสนิทแล้วก็ไม่ต้องตายมันรู้นนิพพานถึงที่สุดได้แโดยที่ไม่ต้องตายที่นี้มันอาจจะผิดจากที่ท่านทั้งหลายเคยฟังมาแล้วก็ได้ท่านอาจจะเคยฟังมาแต่ในทางที่ว่าจะไปนิพพานนั้นต้องตายจะก่อนะไปข้าวนิพพานอย่างนี้ก็ได้ถ้าอย่างนี้แล้วคอยเข้าใจแต่ว่ามันคนละเรื่อง เป็นเรื่องนะนิพพานไม่ได้หมายถึงความตายที่สอนกันผิดๆในโรงเรียนให้ลูกเด็กๆเกข้าใจผิดมาตั้งแต่แลกกว่านิพพานคือความตายของพระอระหันต์หรือของพระพุทธเจ้านิพพานแปลว่าตายเป็นราชาสั์สูงสุดอย่างนี้มันผิดโดยสิ้นเชิงนิพพานคือภาวะเย็นสนิทแห่งจิตแห่งวิญญาณ โดยที่คนไม่ต้องตาย ถ, าถ้าใครคนไหนก็ได้เอาไอเรื่องร้อนๆอ อ, อ, ออกไปหมดจากกิตใจแล้วไม่ให้มันเกิดขึ้นมาได้อีกตอนนั้นนะี่ยเป็นนิพพานเข้าถึงนิพพานอยู่กับนิพพานโดยที่ไม่ต้องตายร่างกายไม่ต้องตายเมื่อร่างกายตาย ลงไปอีกไงหลังจากนั้นแล้วก็เรียกว่าตายด้วยนิพพานนะฮตายด้วยนิพพานไม่ใช่ว่านิพพานเป็นการตายคือว่าตายอย่างเย็นตายด้วยนิพพานคนอื่นตายด้วยร้อนตายอย่างกิเลสตายมีกิเลสมันก็ตายร้อนเหมือนคนธรรมดาทั่วไปมันก็ตายร้อนทพระอริเจ้า เข้าถึงนิพพานคือความเย็นแล้กวก็าตายเย็นเพราะมันไม่มีกิเลสคนหนึ่งตายด้วยกิเลสคนหนึ่งตายด้วยนิพพานคือความสิ้นกิเลสที่ได้รับมาก่อนแล้วอันนี้ร่างกายมันตายลงการตายนั่นก็เรียกว่าตายด้วยนิพพานความสิน้นสุดแห่งกิเลสที่เรี่ก็เปล่าไม้ของชีวิต ถ้าตายแล้วไม่มีชีวิตแล้วมันก็ไม่ใช่เป้าหมา ย, ยาชีวิตแล้วคิดดูถ้ามันตายแล้วมันไม่มีชีวิตแล้วมันจะเป้าหมายอะไรกันอีกมันต้องรู้ถึงเมื่อยังมีชีวิตอยู่สำหรับชีวิตนั่นเองก็คือการเป็นอยู่มีชีวิตอยู่อย่างที่เย็นสนิทสนิทแท้จริง ไม่กลับร้อนไม่กลับมีความทุกข์ใดๆได้เลยนี่คือเป้าหมายของชีวิตที่มั น, จ, น, นจะเป็นตัวชีวิตแล้วมันก็ได้ลุได้ถึงจุดสูงสุดของมัน <c oughs> อย่าไปยึดคำบาลีคำทางศาสนาที่ฟังยากเข้าใจยากจำยากมันยุ่งยากห่วยกัน ไม่รู้เสียแต่เธอว่าพระนิพพานนั้นคือความเย็นถึงที่สุดถ้าจะรู้จักนิพพานก็ไปศึกษาความร้อนที่ทุกคนร่ำรวยอยู่แล้วนั่นแหละที่ทุกคนมันร่ารวยอยู่ด้วยความร้อนร้อนพระราคะร้อนพระโทสะร้อนพระโมหะร้อนพระปัญหาต่างๆมันประดังเข้ามายึดถือเอาว่าเป็นตัวตน กพระเราร่อนเขาล่นอยู่เพรานถ้าจะศึกษาธรรมะก็ต้องศึกษาจากชีวิตอีกเหมือนกันไม่ใช่ศึกษาจากอาตมาไม่ใช่ศึกษาจากหนังสือหนังหาพระคำภีอะไรโดยส่วนเดียวนะั้นมันเป็นไปไม่ได้มันจะได้มันจะได้ก็แต่เพียงจำได้จำคำพูดของเขาได้นีว่ามันอยู่ในหนังสือ <c oughs> ถ้าจะเรียนธรรมะจริง ให้ตั้งต้นเรียนจากความทุกข์ที่มีอยู่จริง <c oughs> ถ้าใครไม่มีความทุกข์แล้วไม่ไม่ต้องมาเรียนธรรมะป่วยการมันเป็นคนบ้ามันไม่มีความทุกข์แล้วมันจะมาเรียนเรื่องความดับทุกข์มันเป็นคนบ้าใช่ไหมถ้าคุณไม่มีความทุกข์คุณก็ไม่ต้องมาหาธรรมะไม่ต้องมาเรียนธรรมะจะรู้ธรรมะก็ต้องมีความทุกข์ เรีนความทุกข์ให้รู้จักความทุกข์และจะแก้มันอย่างไรจะดับความทุกข์นั่นอย่างไรนั่นแหะกิริยาที่ดับความทุกข์ได้นั่นเป็นธรรมะอย่างยิ่งที่จะช่วยเราเข้าถึงความเย็นที่เป็นเป้าหมายแห่งชีวิตเดี๋ยวนี้ทุกคนเนี่ยเป็นชาวนาชาวสวนเป็นพ่อค้าเป็นนักศึกษาเป็นข้าราชการเป็นแล้วก็เป็นเป็นกันอยู่ แล้วมันมีความทุกข์ความร้อนหรือไม่ <c oughs> เอออยากจะพูดจากนิดหนึ่งว่าเรามีความทุกข์ต่างกันนะเหมือนกับที่ว่าเราเป็นต่างกันโดยเป็นชาวนาชาวสวนข้าราชการนักศึกษาที่เราต่างกันแต่พอมาถึงความทุกข์นี่มันต่างกันอย่างนั้นหรือไม่ถ้าคน สาตาตื้นปัญญาตื้นมันก็ก็จะต่อบประต่างกันอความชาวนาเป็นทุกข์อย่างชาวนาชาวสวนเป็นทุกข์อย่างชาวสวนข้าราชการเป็นทุกข์อย่างข้าราชการนักศึกษาเป็นทุกข์อย่างนักศึกษา <c oughs> นั่นมันเรื่องผิวผิวเป็นเรื่องสายตาสั้นมองเห็นได้เท่านั้น <c oughs> แล้วก็ไม่ใช่ความทุกข์จริงนะ ถ้ามองถึงความทุกข์จริงจะเห็นว่าเหมือนกันนะความทุกข์เกิดมาจากความโง่สาคัญผิดในสิ่งต่างๆแล้วก็ยินดียินร้ายต่อสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็เป็นความทุกข์เพราะความโลภเพราะความโกรธเพราะความหลงเหมือนกันทั้งนั้นน่ะไปดูดีสักหน่อยให้เห็นว่า กิเลสนี่เหมือนกันเลยความโลภความโกรธความหลงราคะโทสะโมหะแล้วแต่จะเรียกนะเนี่ยคือกิเลสเนี่ยเหมือนกันทั้งนั้นเลย <t> ไม่มีกิเลสเด็กไม่มีกิเลสผู้ใหญ่ไม่มีกิเลสตัวผู้ไม่มีกิเลสตัวเมียไม่มีกิเลสคนไทยไม่มีกิเลสฝรั่งไม่มีจะเหมือนกันไปหมดเมื่อเป็นมนุษย์จะมีกิเลส ที่เป็นเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นความทุกข์ก็เหมือนกันหมดนะคือทุกข์เพราะว่ามีกิเลสมีกิเลสมันมันนำไปสู่ความยึดมั่นถือมั่นเพราะความโง่กิเลสมามีมูลมาจากความโง่ยึดมั่นถือมั่นมีตัวกูมีอะไรของกูมีทุกอย่างเป็นของกูแล้วก็เป็นทุกข์ด้วยเรื่องของตัวกู มันไม่ได้อย่างที่ตัวคูต้องการมันก็เป็นทุกข์ไ <c> ป <oughs> ยึดมั่นให้สิ่งต่างๆว่าจะเป็นไปตามความประสงค์ของตนนั่นมันก็ไม่ไม่ไปตามความประสงค์ของตนมันก็ต้องเป็นทุกข์เขามีความอยากอย่างยิ่งมีความหวังอย่างยิ่งมันก็ไม่ได้ตามที่อยากที่หวังมันก็เป็นทุกข์ ตามหลักของพุทธศาสนาถือว่าความอยากเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เพราะว่าความอยากนะั้นมันทําให้เกิดความรู้สึกอีกอันหนึ่งว่าฉันหรือกูอยากพอมีฉันมีกูอยากแล้วอะไรอะไรก็เป็นปัญหาก็มาแก่ตัวกูตัวกูก็ต้องทนทุกข์ทนทรมานเพราะปัญหานั้นๆนยนดถือบ้านเรือนของกูปัญหาเกี่ยวกับบ้านเรือนก็มาทับถมกู ยึดถือว่าเงินทองทรัพย์สมบัติของกูปัญหาเหล่านั้นก็นมาทับถมกูครอบครัวในของกูปัญหาเหล่านั้นก็นมาทับถมกูความเกิดของกูปัญหาความเกิดก็มาทับถมกูความแก่ความเจ็บของกูมันก็ปัญหานั้นก็นมาทับถมกูความตายของกูก็ปัญหาเรื่องความตายมันก็นมาทับถมกูก็เป็นทุกข์ไปหมดร้อนไปหมดไม่มีเย็นเลย ถ้าเมื่อได้มันไม่มีสิ่งเหล่านั้นมันก็เย็นมันจึงพยายามที่จะดับความร้อนเหล่านั้นเสียแล้วก็พบความเย็นที่สุดนั่นคือเป้าหมายของชีวิตมันอยู่ที่นั่นไม่ต้องรอจนต่อตายแล้วแล้วก็ไปที่ไหนอย่างที่เขาเชื่อกันเขาพูดกันไปข้าวนิพพานอะไปข้าวที่ไหนถ้าต่อตายแล้วอะไรเป็นจะไปข้าวจะมีชีวิต ที่มีประโยชน์อย่างไรมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยก็ เ, เป็นเรื่องตายแล้วไม่มีชีวิตแล้วเมื่อยังเป็นปนมีชีวิตยอยู่นี่ให้เข้าถึงความเย็นเด็ดขาดร้อนอีกไม่ได้เรียกว่านิพพานคือหมดกิเลสเดี๋ยวนี้เราอยู่ที่นี่ ท, ที่ที่ไม่เรียกว่าจุดหมายปลายทางคือเราอยู่ที่ต้นทางหรือตัวทางก็แล้วแต่จะเรียกเรามีปัญหา พอเมื่อเราถึงจุดไม้ปลายทางจึงจะหมดปัญหาและไม่มีความทุกข์นั่นเดี๋ยวนี้เราอยู่ด้วยกิเลสแต่งงานกับกิเลสสมรสอยู่กับกิเลสมันก็ต้องเป็นทุกข์มันรู้จักกิเลสที่เรากอดรัดยึดถือว่าอย่างเต็มที่ซะก่อนนี่แล้วคว่างทิ้งออกไปมันก็หยุดร้อนแล้วมันก็จะเย็นพอถึงจุดนี้ก็เรียกว่าถึงข้าวไม้แห่งชีวิตนะ่คือความเป็นอยู่ด้วยความเย็น มีชีวิตยอยู่ด้วยความเย็นใช้คําว่าความเย็นนี่มาเป็นภาพพจน์เป็นอุปมาความจริงจิตใจไม่มีความทุกข์เลยเราเรียกว่าความเย็นถ้าทุกข์มันร้อนเพราะว่ากิเลสเป็นของร้อนกิเลสเผาก็ร้อนไม่มีกิเลสเผาก็เย็นก็ดิ้นรนไปดิ้นรนไปเรื่อยๆไปจนกว่าจะถึงจุดที่ว่าไม่มีกิเลสแล้วก็เย็น ก็เป็นเป้าหมายปลายทางไปมีชีวิตยอยู่อย่างเย็นไม่มีทุกข์เลยเมื่อเวลาทั้งหมดก็เคลื่อนไหวไปโดยการทำประโยชน์แก่ทุกคนไม่ใช่เย็นแช่น้ำแข็งนอนตายอยู่ในน้ำแข็งเฉยเฉยเย็นได้ทางจิตทางวิญญาณเป็นสุขที่สุดพอใจที่สุด ก็ทำการทำงานอะไรต่างๆตามที่มันจะทำได้และสิ่งเหล่านั้นก็ไปเป็นประโยชน์แก่ทุกคนนั้นมันไม่ใช่เย็นคนเดียวมันช่วยคนอื่นปล่อยเย็นหรือว่าไปสู่ความเย็นได้โดยลำดับนั้นเป้าหมายของชีวิตที่แท้จริงไม่ใช่เย็นคนเดียวไม่ใช่ถึงคนเดียวถ้าถึงแล้วมันจะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนด้วย เชนพระพุทเจ้าวันรู้นิพานและวตั้งแต่วันตรัสรู้ท่านก็อยู่ในความเย็นจนตลอดประชนชีพของท่านนก็พล้อยทำให้คนทั้งหมดทั้งพวงพลอยเย็นพลอยรู้เรื่องความเย็นเดินไปตามความเย็นด้วยอยีมกมากมายนับไปทถ่วนนั่นเป้าหมายปลายทางเป็นผู้ที่หมดความทุกข์แล้วช่วยผู้อื่นให้หมดจากความทุกข์ได้ด้วย <c oughs> <c oughs> ก็ไปคิดดูเองจะทําอย่างไร เราจะไม่มีความทุกข์เลยและการเคลื่อนไหวของเราเป็นประโยชน์แก่คนทุกคนอยู่จนกว่าถึงวาระสุดท้ายคือสังขารร่างกายนี้มันแตกดับลงไปแล้วมันก็เลิกกันไม่ต้องพูดกันเดี๋ยวนี้ถึงความเย็นที่เป็นพระนิพพานได้แล้วคนนั้นจะมีประโยชน์แก่ทุกคนด้วยนี่เป้าหมายแห่งชีวิตตามหลักแห่งพระธรรมหรือพระพุทธศาสนา เมื่อให้จะมาตอบเขก็ต้องตอบตามหลักธรรมะในพระพุทธศาสนาที่ศึกษา้น้าอยู่ตลอดเวลาจะไปตอบโดยทางอื่นแนวอื่นกระแสอื่นนั้นไม่ได้ถ้าเขาจะใช้จิตวิทยาใช้ปรชัชญาใช้อะไรกันมาเป็นหลักสาหรับวิจัยว่าเปล่าหมายชีวิตคืออะไรแล้วก็ต้องเป็นเรื่องอื่นแน่ไม่มาสู่อันนี้ไม่มาสู่อันที่ว่าเย็น แห่งชีวิตในลักษณะที่เป็นนิพพานนี่เรียกว่าพูดกันทีเดียวทั้งจุดหลายทางสูงสุดของมนุษย์ผู้มีสติปัญญาแต่ถ้าเราไปถามขี้เมากลางถนนว่าป้าไม้แห่งชีวิตคืออะไรมันคือมีเหล้ากินมากๆ า, ากนะป้าไม้แห่งชีวิต หรือจะไปถามไอ้คนอันธพาลบางคนป่าไม้แห่งชีวิตคืออะไรมันก็เรื่องสนุกส น, นั้นอ ร, อร่อยเนื้อหนังอคนเปรอกันอย่างยิ่งนะป้าหม้แห่งชีวิตนั่นมันคนที่ยังไม่รู้ว่าชีวิตนั้นคืออะไรมันมีความคิดเห็นของตนเองเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นอวิชชารู้จักชีวิตแต่ในความหมายที่ความโง่ของเขารู้ เขาก็เอาเป้าหมายชีวิตไปตามแบบของความโง่ของเขาคนธรมรมดาสามันอาจจะพูดว่ามีทรัพย์สมบัติพอตัวมีเกียรติยศชื่อเสียงพอตัวมีคนรักใคร่แวดล้อมพอตัวนี่เป็นเป้าหมายแห่งชีวิตก็ได้เหมือนกันมันถูกเพียงแค่นั้นมันไม่ได้ถามว่าเย็นหรือเปล่ามีทรัพย์สมบัติ ด, ด้วยมีอำนาจวาสนามีเกียรติยศชื่อเสียงมี พวกความบริวารด้วยแล้วมันเย็นหรือเปล่าถ้าเย็นก็ได้เหมือนกันถ้าไม่เย็นก็ไม่ใช่นี่คนธรรมดาเขามีสิ่งเหล่านั้นแล้วเขาไม่รู้จักทำให้มันเย็นมันอาจจะร้อนมากกว่าเดิมก็ได้ยิ่งมีเงินมากยิ่งร้อนมากยิ่งมีเกียรติยศชื่อเสียงมากยิ่งร้อนมากยิ่งมีวาตนามากยิ่งร้อนมากก็ได้นั่นยังไม่ใช่ใ น, นิพพาน <c oughs> ถ้ามีสิ่งเหล่านั้นด้วยแล้วก็มีความเย็นอย่างที่ว่านี้ด้วยก็ได้มีนิพพานเป็นเป่าหมายาชีวิตสมบูรณ์ที่สุดคือในแง่จิตแง่วิญญาณก็สมบูรณ์ในแง่วัตถุร่างกายก็สมบูรณ์แต่เนี้มันไม่จาเป็ น, นถ้าเราต้องการความเย็นนั้นแท้จริงทางจิตทางวิญญาณแล้วก็ <c oughs> ไม่จ้องมีปัญหาเรื่องทรัพย์สมบัติเรื่องเกยยียรติยศชื่อเสียงอำนาจวาสนาก็ได้ พูดมันตรงไปเลยว่าไม่ต้องมีทรัพย์สมบัติไม่ต้องมีอำนาจวาสนากิจตยตอเสียงอะไรก็ได้อสามารถบรรลุนิพพานได้เช่นพระอรหรันต์มีทรัพย์สมบัติแต่เพียงกีวรที่ห่มอยู่กับบาทใบหนึ่งสําหรับขอทานมันมีเท่านั้นนะมันบรรลุนิพพานที่มีเป็นเป้าหมายชีวิตได้นั่นมันจึงถือว่าไม่เกี่ยวกัน ถ้าเราไปต้องการจะมีทรัพย์สมบัติมีอะไรมากๆมันเรื่องมันก็ยุ่งมากมันก็รบกวนมากมันก็ทำให้เกิดกิเลสได้ง่ายมันก็ไม่เย็นนั่นเรามีทรัพย์สมบัติแต่พอสมควรถ้ามีเกียรติยศชื่อเสียงบ้างก็มีแต่พอสมควรมีอํานาจวาสนาก็มีแต่พอสมควรมีคนรักค่ายเพื่อนฝูงภมิจฉาให้บริวารก็พอสมควร คำว่าพอสมควรนี่คือไม่ทำให้ร้อนขึ้นมาถ้าทำให้ร้อนขึ้นมาแล้วก็ถือว่าเกินและเกินควรหรือว่ามีไม่ถูกมีไม่เป็นมันก็ร้อนนะนันมีเท่าที่จำเป็นที่ควรจะมีแล้วก็มีให้ถูกต้องมีให้เป็นแล้วก็ไม่ร้อนเลยแล้วมันก็เย็นไปคิดหาทางเอาเอง เมื่อยังต้องการจะเป็นชีวิตคราวาสครองเรือนมีทรัพย์สมบัติมีบุตรภรรยาสามีมีอะไรต่างๆนะั่นท่านจะไปทำให้มันเย็นได้อย่างไรถ้าว่าไม่สามารถจะทำให้เย็นที่สุดถึงที่สุดได้ก็เย็นเท่าที่จะทำได้ก็แล้วกันเขาเรียกว่ามันมีส่วนเย็นอยู่แล้วมีส่วนเย็นอยู่บ้างเพียงแต่ว่าไม่ถึงที่สุดถ้าถึงที่สุดก็คือนิพพานมันเป็นป่าหม้แห่งชีวิต สมบูรณ์ถึงที่สุดจริงๆมันถ้าเย็นบ้างหรือเป็นส่วนมากมันก็ยังดีกว่าที่มันร้อนไปทั้งหมดแล้วก็ยังมีแบ่งชั้นแห่งความเย็นไว้เป็นชั้นพระโสดาบันชั้นพระสกิทาคามีชั้นพระอนาคามีสามชั้นนี่เป็นคราวาสก็ได้แล้ว่ชั้นสุดท้ายคือพระอระหันต์นั้นจึงจะเป็นนิพพานสมบูรณ์ คือเย็นสนิทมันเป่าหมายชีวิตสมบูรณ์ที่จะเป็นสาวดาบรรสกิราคามมยนาคามรมันเกือบสมบูรณ์หรือมันใกล้เข้าไปในเขตสมบูรณ์เป่าหมายชีวิตที่เกือบจะสมบูรณ์หรือใกล้ต่อความสมบูรณ์ถ้าเป็นพระนิพพานเป็นพระอรหันต์ก็สมบูรณ์ที่สุดที่เราเป็นคาราวาที่ดี ก็เรียกว่ามันเอียงเขาไปหาเป้าหมายของชีวิตที่ถูกต้องมากอยู่เหมือนกัน <c oughs> เป็นพระโสดาบันหมายความว่ามีความเข้าใจถูกต้องมีความคิดเห็นถูกต้องมีความเชื่อถูกต้องแล้วก็มีความต้องการอย่างถูกต้อง แล้วมันก็มีการพูดจาการทำงานการดำรงชีวิตอย่างถูกต้องภาคเปียนมีสติสมาธิอยู่อย่างถูกต้องนี่ก็เรียกว่าเป็นพระโสดาบันข้าถึงกระแสะความถูกต้องของป้าวไม้แห่งชีวิตคือนิพพานแต่ยังไม่ถึงพระนิพพานโดยตรงเพงแต่เข้าไปในกระแสะแห่งป้าวไม้ถูกต้องคือพระนิพพานนี่เราจะทำได้เท่าไหร่ก็ไปคิดดู ให้ความร้อนมันดับลงไปได้เท่าไรมันก็ใกล้ความเย็นหรือเป้าหมายของชีวิตเข้าไปเท่านั้นให้ศึกษาจากจิตใจโดยตรงอย่าศึกษาจากบุคคลหรือตำรับตำรานักเลยมันรู้ไม่ได้ไอ้ความร้อนแห่งจิตใจความเย็นแห่งจิตใจนี่มันเป็นเรื่องทต้องรู้สึกด้วยจิตใจศึกษาจากจิตใจจากภายใน อ่านหนังสือสกี่ร้อยเล่มด้วยเรื่องนี้แต่มันก็รู้สึกถึงความเย็นไม่ได้ต้องไปเอาความร้อนออกแล้วเอาความเย็นให้ความเย็นปรากฏออกมาเดี๋ยวนี้เรื่องของความร้อนด้วยความทุกข์เราก็ไม่สนใจเราก็ไม่รู้จักแล้วเราก็จะทำลายมันได้อย่างไรก็ไม่รู้จักความเย็นไม่ถึงความเย็นนั้นเมื่อเมื่อใดผู้ใดมีความร้อนที่เป็นเรื่องของกิเลสเป็นความทุกข์ทาลายมันเจ ให้พบความเย็นที่ตรงนั้นนั่นแหะคือดีที่สุดมีธรรมะที่สุดก้าวหน้าทาง ท, างทางธรรมะที่สุดท่า น, นผูดใดคนใดมีความร้อนที่เป็นกิเลสหรือความทุกข์เกิดขึ้นมาศึกษารู้ต้นเหตุต้นตอของมันทําลายมันเสียป้องกันมันเสียและเย็นอยู่นี่คือเรียนธรรมะที่ดีที่สุดแล้วเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น เรื่องนี้ร่อนขึ้นมาดับเย็นเสียเรื่องเรื่องอื่นร่อนขึ้นมาดับเย็นเสียเรื่องอื่นร่อนขึ้นมาดับเย็นเสียอย่างนี้ทุกทุกเรื่องไปอะ่ะมันก็ก้าวหน้ า, าทางไปในทางของชีวิตที่แท้จริงที่ไปสู่เป้าหมายชีวิตทันแท้จริงก็คือพระนิพพานนั่นเอง <c oughs> เดี๋ยวนี้แต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีเราไม่ได้ทำอย่างนี้นี่ แล้วก็ได้แต่อยากจะรู้บ้างว่าเป้าหมายแห่งชีวิตนั้นเป็นอย่างไรเราไม่รู้จักตัวชีวิตเองเลยซ้าไปเราไม่รู้จักอุปสรรคในชีวิตเลยซ้าไปเราก็ไม่รู้จักการเดินไปแห่งชีวิตก็ไม่มีไม่มีจุดหมายปลายทางไม่มีเป้าหมายแห่งชีวิตเอาแล้วนี่ก็ว่าเป็นการดีนล้วที่เราจะศึกษารู้จักชีวิต รู้จักเป้าหมายแห่งชีวิตแล้วก็รู้จักวิธีเดินไปสู่เป้าหมายแห่งชีวิตนับว่าเราได้เขามกเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์นะเพราะเรื่องสำหรับมนุษย์ไม่ไม่มีอะไรดีกว่านี้อะไม่มีดีอะไรกว่าที่ว่าจะรู้จักตัวชีวิต รู้จักขจัดปัญหานานาชนิดในชีวิตออกไปเสียก็เป็นชีวิตที่หลุดพ้นจากความทุกข์โดยประการท่างปวงนั่นแหละคือเป้าหมายแห่งชีวิตแล้วก็ตั้งในชีวิตที่ยังเป็ น, ปนๆอยู่เนี่ไม่ใช่หลังจากตายแล้วไม่มีประโยชน์อะไรคนอื่นเขายังมียึดถือแบบนั้นกันอยู่ว่านิพพานนั้นนะต้องถึงต่ตายแล้วก็เป็นเรื่องของเขาอ่ะ อันจะมาพูดไม่เป็นพูดอย่างนั้นก็พูดด้วยไม่ได้พูดเป็นแต่เรื่องว่าชีวิตนี่มันมีความทุกข์มีปัญหาแล้วก็เอาออกไปเสียให้หมดแล้วมันก็หยุดมันก็เย็นมันก็เกลี้ยงมันก็เป็นอิสระมันก็ไม่มีความทุกข์เลยเอาที่ไม่มีความทุกข์เลยมันก็โปรดทราบไว้โดวยว่าพระพุทธเจ้าเมื่อท่านตรัส เป็นหลักเป็นทางการท่านจะจะจัดถึงแต่ความหมดไปอย่างความทุกข์นะะท่านจะไม่พูดถึงความสุขเพราะปัญหามันอยู่ที่ความทุกข์หมดความทุกข์แล้วก็ควรจะพอใจถ้าพูดถึงความสุขมันเป็นการพูดแบบชวนชวนเชื่อโฆษณามาสนใจเพราะทุกคนมันชอบความสุขเอาคำว่าความสุขดึงมาวันนี้ความสุขนี้ดีกว่าความสุขนี้ดีกว่ามันก็ถูกเหมือนกันน่ะ อแต่ที่แท้ที่จริงมันคือความสิ้นสุดแห่งความทุกข์ณสิ้นสุดแห่งความทุกข์จะมาเรียกว่าความสุขก็ได้แต่กลัวจะไปยึดถือลหลงไหลผูกพันให้มันหนัก อ, อกหนักใจกันมาอีกแล้จะกลัวความสุขนี้จะหายไปเีะอีกมันก็ยุ่งถ้าเราดูอตัวปัญหาที่แท้จริงให้พวบอ้าวมันมีแต่ความทุกข์นี่อความทุกข์ดับหมดไปแล้วมันก็ควรจะหมดปัญหาสิ เมื่อไฟเผามันร้อนอยู่ดับไฟจะแล้วมันเย็นแล้วมันก็ควรจะพอใจไม่มีความทุกข์อีกแต่ควรมันติดรสอร่อยเดี๋ยวนี้มีรสอร่อยทางกามารณมทางเพศทางอะไรติดแน่นเป็นนิสัยสันดานอยู่ว่าไอ้ความสุขหรือที่ควรจะพอใจนั้นต้องอร่อยเราจะมาเอาอร่อยกับพระนิพพานหรืออย่างนี้มันมันเป็นไปไม่ได้บางคนละเรื่อง ถ้าจะใช้คําว่าอร่อยต้องเปลี่ยนความหมายคําว่าอร่อยนี่เสียใหม่คือว่ามันเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความเย็นที่แท้จริง <c oughs> มันอร่อยมั่อกินน้ําจืดหนึ่งไอ้กินน้ำหวานกินน้ําอะไรต่างๆนะั้นมันก็อร่อยไปไปตามแบบของมันไอ้น้ําที่จืดสนิทมันมีความเป็นรสอร่อยตามแบบของมัน ท่าเราเอาความอร่อยชนิดที่จืดสนิทเหมือนน้ำที่จืดเย็นสนิทไม่ใช่น้ำชาข้าวแฟน้ำตาล น, น้ำส้มน้าอะไรต่างๆ <c oughs> แต่นี้คนเรามันไปจิตไอรสอร่อย <c oughs> แล้วก็เลยหวังว่าพระนิพพานต้องมีรสอร่อยแล้วก็อร่อยมากกว่าธรมรมดาสามัญที่เคยอร่อยอย่างนี้ไม่มีทางที่จะพบพระนิพพานได้ เพาว่าความอร่อยนันเป็นที่เกิดแห่งปัญหาความอร่อยเป็นต้นตอของกิเลสแล้วก็เกิดกิเลสแล้วก็ร้อนถ้าเราไม่ต้องการจะร้อนไม่ต้องจะเกิดไฟก็อย่าไปชอบเชื่อไฟความหลงไหลในอร่อยหรือไม่อร่อยก็ตามยินดีก็ตามยินร้ายก็ตามเป็นเชื่อไฟให้เกิดไฟแล้วก็อยู่กับไฟ ทั้งทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีตลอดชาติเดี๋ยวรักนั่นเดี๋ยวเกลียดนี่เดี๋ยวกลัวนู้นเดี๋ยวรักนั่นเดี๋ยวเกลียดนี่ได้ ย, ยินดีนี่ยินร้ายนู่นวนอยู่แต่สองฝ่ายเนี่ยคือชอบกับไม่ชอบนั้นเลิกกชอบไม่ชอบสองอย่างนี้ออกไปเสียมันก็อยู่เป็นกลางเนี่ยจะหยุดหรือจะเย็นมันไม่ต้องอร่อยหรือไม่ต้องไม่อร่อย อยู่ที่ตรงกลางแล้วมันก็หยุดแล้วมันก็เย็นเป็นอิสระนี่เรียกว่าเย็นแบบพระนิพพานความชีวิตเนี่ยมันไปถึงนั่นแล้วมันหยุดนะมันไม่มีอะไรที่จะชวนให้ดิ้นรนค น, คนขนฝายหาหรือหวังหรืออยากอีกต่อไปคูด <c oughs> อย่าง อ ย, อย่างตักกะหรือลอจิกก็ว่ามันหยุดความอยากและความหวังเสียเพราะมันไปถึงที่สุดแห่งความอยากและความหวังนี่คือเป้าหมายแห่งชีวิตอยู่ด้วยความอยากอยู่ด้วยความหวังมันก็ทนทรมานด้วยความอยากและความหวังหยุดความอยากและความหวังเสียมันก็จบเรื่อง ถ้าอยากหรือหวังก็เกิดยึดมั่นถือมั่นก็ต้องเป็นทุกข์ไม่ต้องสงสยัยไม่ไม่มีทางช่วยการที่ท่านทั้งหลายสนใจคำว่าเป้าหมายแห่งชีวิตถ้าจะมาอธิบายตามหลักธรรมะในพุทธศาสนามันก็มีแต่อย่างนี้มันไม่มีอย่างอื่นจะชอบหรือไม่ชอบก็เป็นอิสระที่จะตัดสินเอาเองจะเลือกเอาเองถ้ายังยังยังมีอย่างอื่น ดีกว่าก็เอาแต่คอยมันดีกว่าจริงอย่ามันดีกว่าหลอกเดี๋ยวนี้เรายืนยันว่าพระนิพพานนี่เป็นสิ่งสูงสุดเป็นธรรมะสูงสุดเป็นบรมธรรมไม่มีอะไรสูงสุดกว่านี้ เ, นเองถือเป็นเป้ามหมายหองชีวิตคือสิ้นสุดแห่งกิเลสและความทุกข์เย็นก็ไม่มีความร้อนอันจะเกิดจากกิเลสจากความทุกข์ชีวิตนี้เย็น อยู่ในความเย็นชนิดที่ไม่เปลี่ยนแปลงเรียกว่าเย็นนิรันดรเมื่อชีวิตเข้าถึงความเย็นนิรันดรชีวิตนั้นก็พลอยเป็นนิรันดรไปเรื่อยพี่ก็เข้าถึงอมตะธรรมคือความไม่ตายอเข้าถึงความไม่ตายนั่นแหะคือเป้าหมายแห่งชีวิตเมื่อเข้าใจตัวชีวิตล า, ลายทางของชีวิต การเดินวิธีเดินห่งชีวิตพอสมควรแล้วลก็ขอให้เอาไปจับกับชีวิตจริงๆของท่านเองแต่ละคนละคนตามเรื่องราวของตนของตนในชีวิตประจำวันให้กําจัดความทุกข์ความร้อนออกไปเสียได้เรื่อยๆไปในชีวิตประจำวันกว่าจะหมดเกลี้ยงก็อยู่ในความเย็น <c oughs> บางคนจะเห็นว่าเหลือวิสัย <c oughs> เหลือวิสัยป่วยการไม่เอาแล้วเอาไปตามบุญตามกรรมดีกว่าอย่างนี้จะโดยมากมันก็ไม่ต้องไม่ต้องพบป า, ากันกับเรื่องสูงสุดในพระพุทธศาสนาหรือเรื่องธรรมธรรมะนิพพานความความเป็นนิพพานความที่จิตเข้าถึงความเย็นเป็นภาวะสูงสุด เป็นพระนิพพานเป็นสิ่งสูงสุดของมนุษย์หรือของอะไรก็ตั้งหมดก็ได้สูงสุดอยู่ที่ไม่มีกระทบกระทั่งให้เดือดร้อน <c oughs> วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถึงเป้าหมายแห่งชีวิตก็ควรจะพูดกันบ้างช่วงเวลาที่เหลืออยู่คอยทุกๆวันนี่ยอยู่ด้วยสติ ส้ำประชัญญะทำให้าาเป็นความทุกข์ร้อนเกิดขึ้นมาก็าให้มองเห็นเป็นความทุกข์เป็นกิเลสเป็นสิ่งไม่พึงปรารถนาแล้วก็ชิมความร้อนแห่งความทุกข์หรือกิเลสนั่นให้รู้รดให้ดีแล้วเมื่อเกิดความไม่พอใจอยากจะกําจัดเสียก็พยายามมองลึกเข้าไปข้างใต้ของมันให้พบพบสาเหตุของมัน มาจากความโง่ต้นเหตุคือความโง่ไปหลงเมื่อมีอะไรมาเกี่ยวข้องทางตาทางหูทาง tricked, erna, จั๊กหมูทางลิ้นทางกายทางใจเองเมื่อมีอะไรมาเกี่ยวข้องแล้วมันโง่แล้วมันก็ไปหลงรักหลงเกลียดซึ่งเรื่องจะเกิดกิเลสทุกทุกฝ่ายถ้ามันรู้จริงมันไม่หลงรักหลงเกลียดมันรู้แต่ว่าเราจะต้องทําอย่างไรกับมันถ้าต้องทําอย่างไรกับมันก็ทําถ้าไม่ต้อง MM> ทําอย่างไรกับมันก็ไม่ต้องทํา อย่างนี้ไม่โง่แล้วก็ไม่ไปหลงรักไม่ไปหลงเกลียดกิเลสก็เกิดไม่ได้นั่นเราอยู่ในโลกนี้โดยไม่ต้องเกิดกิเลสและความทุกข์ได้เพราะปฏิบัติอย่างนี้อย่าโ ง, างา่เมื่อมีอะไรมากระทบทางตาสวยไม่สวยทางหูเพราะไม่เพราะทางจ ม, มูกหอมหรือเม็นทางลิ้นอร่อยหรือไม่อร่อยทางผิวหนังนิ่มนวลหรือกระด้าง ทางจิตหนหน้ายินดีหรือไม่หน้ายินดีเนมันหกทางอย่างโง่เมื่อมีอะไรมากระทบที่อวัยวะทั้งหกนั้นฉลาดในทันเวลาแล้วก็มายินดียินร้ายมายินดีหรือยินร้ายแล้วมันก็ไม่เกิดกิเลสแล้วมันก็ไม่ร้อนมันก็จะเป็นนิพพานโดยอัตโนมัติ ถ้าใครทำได้ควบคุมได้จะมีมีพระนิพพานอยู่โดยอัตโนมัติ<ม>เพราะว่าเรื่องทั้งหลายที่มันจะเกิดนี่มันมีแต่ทางตาทางหูทางจามูกทางลิ้นทางกายทางจิตใจเองเท่านั้นแหละถ้าประพฤติปฏิบัติถูกต้องในทั้งหกทางนี้แล้วมันไม่ไม่เกิดกิเลสไม่เกิดความทุกข์มันฝึกฝนสติปัญญาเพียงพอฝึกฝนสติให้รวดเร็วว่องไว ในการที่จะเอาปัญญาไม่ทันเวลาอย่างโง่เมื่อเกี่ยวข้อง ก, กันกับสิ่งที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจมีทา่านนี้อย่างโง่เมื่อมีสิ่งมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะว่าเรามีสติเพียงพอมีปัญญาเพียงพอมันก็ไม่งโง่เมื่อมีอะไรมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ แต่เรนนี้เรามันชอบความอร่อยชอบความยินดีบางทีเราก็ชอบความยินรา้ายซะด้วยนะชอบโทสะชอบบันดาลโทสะสนุกไปเลยนี่มันก็ทาไม่ได้นี่เรียกว่าอาวิชชาหรือความโง่ที่ทำให้เรามันเป็นหลงรักพอใจในสิ่งซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งกิเลสและความทุกข์อย่างนี้ไกลเทนิพานมาก เรียกว่าอยู่คนละฝั่งฝั่งสมุทรเลยถ้าสมัครเอาละเราจะมีชีวิตยอยู่อย่างเย็นนี่ก็ก็ระวังอย่างนี้อย่างโง่เมื่อมีอะไรมากระทบตาหูจมูกขิ้นคายใจมีสติปัญญารู้สึกทันท่วงทีว่าจะต้องจัดการอะไรกับสิ่งนี้ก็จัดการไปถ้าไม่ต้องจัดการก็ไม่ต้องจัดการอะไรก็ทำเรื่องอื่นที่ควรทำต่อไป นี่มันจะเย็นพูดง่ายๆเมื่อไฟไ ม, ไ, มไม่ไม่ไม่ลุกขึ้นมามันก็เย็นอนะย่างราวางใยไฟลุกขึ้นมามันก็เย็นอยู่ตลอดเวลาทาั้งกลางวันกลางคืนทั้งหลับทั้งตื่นมันก็เย็นนี่เรียกวเราถึงเป้าไม้แห่งชีวิตอยู่ตลอดเวลา นี่ถ้าคนที่มันเผลอเก่งหรือว่ายังมีกิเลสมากมันเย็นแล้วกลับร้อนร้อนเย็นแล้วกลับร้อนเย็นแล้วกลับร้อนนี่มันก็เรียกเหมือนกับวิ่งถอยหน้าถอยหลังอยู่อย่างนั้นการทำใจมันมีการถอยหลังมีแต่รุดไปข้างหน้าอไกลาจากความร้อนไปสู่ความเย็นหร <c oughs> ือว่าความทุกข์มันดับดับเรื่อยไปดับเรื่อยไปดับเรื่อยไ ป, ยไปกว่าจะสิ้นสุด คำว่าเย็นในที่นี้ความหมายพิเศษไม่ใช่เย็นอย่างน้ำแข็งกินแล้วอร่อยกว่าน้ำน้ำธรรมด า, านี่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เย็นอย่างนั้นแต่ก็เอาความหมายนั้นมาใช้ได้เพราะว่าเย็นมันดีกว่าร้อนนิพพานแปลว่าเย็นแต่ไม่ใช่เย็นอย่างเย็นอย่างเรื่องธรรมดาที่ว่าคู่กับร้อนหอมคู่กับเหม็น ออร่อยคู่กับไม่อร่อยอย่างนี้ไม่ไม่ใช่คู่เทียบอย่างนั้นเข <c oughs> ้าไปไปเทียบว่าทั้งหมดนั่นแหละมันมันร้อนอีกทางหนึ่งมันไม่ร้อนเลยนี่คือเย็นงั้นมันร้อนแห่งกิเลสไม่ใช่ร้อนแห่งแห่งแห่งแไอ้ไฟธรรมดามันร้อนด้วยไฟกิเลส <c oughs> จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่เองรู้จักกิเลสกันเสียบ้าง <c oughs> พูดแล้วก็ ใกลๆก็ว่าดูมินดูถูกท่านทั้งหลายมากเกินไปในมรรตมาจะพูดว่าท่านทั้งหลายยังไม่รู้จักแม้แต่กิเลสไ ม, ไม่ไม่รู้จักแม้แต่ตัวเองไม่รู้จักแม้แต่ตัวชีวิตนั่นเองแล้วมันจะไปรู้เป้าหมายชีวิตได้อย่างไรเดี๋ยวนี้เ อ, เอากิเลสเป็นชีวิตเอาความทุกข์เป็นชีวิตจนจนชีวิตคือความทุกข์ไปเสียหมด พราะเราไม่รู้จักกิเลสแล้วก็ไม่รู้จักชีวิตแล้วก็ไม่รู้จักความทุกข์ด้วยไม่เจ็บปวดทนทรมานก็เจ็บปวดทนทรมานแต่ไม่รู้จักว่ามันคืออะไรมันก็จัดการกับมันไม่ถูกมันไปศึกษาไอ้ตัวกิเลสตัวความทุกข์นี่ให้ถูกต้องให้เข้าใจถูกต้องแล้วควบคุมมันได้จัดการมันได้สะสมปัญญาเกี่ยวกับเรื่องนี้มากขึ้นโดยการศึกษา ฝึกสมาธิให้มีสติรวดเร็วเอาปัญญามาใชา้ให้ทันเวลาเวลาขับขันคือว่าตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบกับสิ่งมาสัมผัสผิวกายใจกระทบกับอารมณ์ที่พลุ่งขึ้นมาในใจให้มีสติรวดเร็วเอาสติเอาปัญญามาใชา้ทันในเมื่อมันกระทบแล้วมันก็ไม่เกิดกิเลสนะ ถ้าไม่มีปัญญามาเพราะสติไม่มีมันก็ต้องเกิดกิเลสแน่แล้วมันก็ต้องเกิดความทุกข์แน่ตลอดเวลานี้เรียกว่ามันโง่ไป <c oughs> คือมีแต่อวิชชามันก็เป็นชีวิตคือตัวทุกข์ความทุกข์คือชีวิตชีวิตคือความทุกข์เป็นชีวิตที่อยู่ในกองไฟจนกว่าจะรู้จักไฟรู้จักชีวิตดับไฟให้แก่ชีวิตมันก็ออกไปทางปลายทาง <c oughs> คือความเย็นคือพระนิพพานเรียกว่าเป็นเป้าหมายแห่งชีวิตได้ใน <c oughs> เรื่องมันมีอยู่อย่างนี้ท่านผู้ใดจะเอาหรือไม่เอาตามใจไม่มีใครบังคับใครได้แต่ว่าเรื่องมันมีอยู่อย่างนี้จะจะเอาหรือไม่เอากือจะจะชอบปฏิบัติหรือไม่ชอบปฏิบัติก็าตามใจมันมีเสรีภาพขอ ง, <c oughs> ข, องของความคิดนึก กองบุคคลแต่เดี๋ยวนี้เรามามองกันว่ายายเส้อทีที่ได้เกิดมายายเส้อทีที่มีชีวิตมามันควรจะได้อะไรก็มาศึกษากันดูพิจารณากันดูถ้าเข้าใจและพอใจก็ลงมือเถอะตั้งต้นที่จะปรับปรุงชีวิตให้ดำเนินไปโดยถูกวิธีทางไปสู่จุดหมายปลายทางคือ ความเย็นสนิทแห่งชีวิตใช้คำอย่างนี้ดีกว่าใช้คำว่าพระนิพพานใช้คำพระนิพพานมันมั น, ม, นมันสลัวไปไปอีกใช้ค ำ, คำความเย็นแห่งชีวิตเนี่ยมันชัดชั ด, ชดง่ายง่ายนั่นนั่นแหละคือพระนิพพานเพียงแต่เย็นเด็ดขาดกลับร้อนอีกไม่ได้ <c oughs> คำว่านิพพานมันก็แปลหมดแห่งความร้อนดับไปแห่งความร้อนหมดสิน้นมันก็คือเย็น คือไม่ร้อมทําชีวิตนี่ที่นี่เดี๋ยวนี่ตรงนี้ให้มันเย็นได้ก็คือเป้าหมายแห่งชีวิตมันอยู่ที่ตรงนี้จุดหมายปลายทางแห่งชีวิตมันอยู่ที่ตรงนี้ <l> <c oughs> คือมันอยู่ในชีวิตนั่นเองทําชีวิตให้เย็นก็ถึงจุดหมายปลายทางแห่งชีวิตที่นี่เดี๋ยวนี่ไม่ต้องต่อตายแล้ว ไปหวังต่อตายแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับใครเราอยู่ที่นี่ก็เป็นมันเปล่านะ <c oughs> ไปคิดดูอะทําให้มันทันแก่เวลาอย่าให้เป็นมันเปล่าเข้าถึงเปล่าไม้แห่งชีวิตคือความเย็นสนิทแห่งชีวิตนะเพื่อมีธรรมะพอมีปัญญาพอมีสติพอมันก็พอเท่านั้นแหละมันต้องการเท่านั้นนะ <c oughs> เมื่อมีสติพอมีปัญญาพอมันก็มีชีวิตอยู่อย่างถูกต้องเรื่อยไปเมื่อชีวิตมันอยู่อย่างถูกต้องทีเด็ดคือไฟมันก็เกิดไม่ได้มันก็หมดหมดเรื่องหมดปัญหามีชีวิตอยู่อย่างถูกต้องไฟเกิดไม่ได้ในชีวิตมันก็หมดปัญหาคือมันเย็น เอาแรกเป็นนั้นว่าอาตมาได้ตอบคําถามของท่านที่ได้เสนอขึ้นมาว่าเป้าหมายแห่งชีวิตคืออะไร <c oughs> รวมความว่าชีวิตทําให้เย็นได้ <c oughs> เมื่อเย็นที่สุดได้นั่นคือเป้าหมายแห่งชีวิตอเห็นว่าการบรรยายนี่สมควรแก่เวลาแล้วก็ขอยุติการบรรยายโดยความหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะมีความรู้ความเข้าใจ ไปจัดการกับไปสิ่งที่เรียกว่าชีวิตนั่นให้ได้รับประโยชน์ยิ่งขึ้นกว่าที่แล้วมาจงทุกๆคนเธอขอยุติการบรรยายไว้ เ, เพียงเท่านี้